บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของอาญตนะคือประสาทสัมผัสของเราที่กระทบอารมณ์ในแต่ละวันนั้นในส่วนนี้ส่งสอนให้มองในแง่ของกิเลสเกิดขึ้นจากการกระทบอารมณ์ เราก็เน้นไปให้ดูกิเลสประเภทที่ค่อนข้างลึกซึ่งท่านเรียกว่าสังโยชน์ที่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องผูกใจสัตว์เอาไว้หมายความว่าตราบใดที่กิเลสประเภทนี้ยังมีอยู่แต่การบรรลุมรรคผลในทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการบรรลุมรรคผลที่เป็นพระอริยบุคคล ท่านก็กำหนดที่การสามารถละสังโยชน์ในแต่ละข้อลงไปได้โดยสังโยชน์นั้นก็มีอยู่สิบประการสังโยชน์ช่วงแรกที่พูดกันมานั้นเป็นเรื่องที่ประโสดาบันทันละได้ซึ่งมีอยู่สามประการคือสักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาจนมีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาดังนนรอจสังเกตดูจะเห็นว่ากิเลสประเภทนี้มีทั้งตอนที่อยู่ลึกๆทั้งตอนที่อยู่ระดับกลางและตอนที่เป็นลักษณะนิสัยกลายเป็นคนถือพรรถือพวก แล้วค่อนข้างจะมีความยึดมั่นอย่างรุนแรงวังลลศนาอาการที่เราเรียกว่าเป็นพวกวันนะในสังคมอารยันซึ่งก็มีอยู่แม้ในสมัยปัจจุบันแ้วการแบ่งแนวนั้นเรามักจะไปมองอยู่ที่ประเทศอินเดียแต่เราลืมไปว่าแท้แท้จริงในสังคมไทยเราก็มีการแบ่งในแนวนั้น เอาชาติสกุลมาเป็นเครื่องกําหนดบ้างเอาฐานะทางทรัพย์สินมาเป็นเครื่องกําหนดบ้างเอาฐานะทางสังคมมาเป็นเครื่องกําหนดบ้างเอาฐานะทางตําแหน่งหน้าที่การงานมาเป็นเครื่องกําหนดบ้างเอายศชั้นต่างๆมาเป็นเครื่องกําหนดจึงจะเห็นได้ว่าเรามีลักษณะการเกาะกลุม่ม ในกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีเขาเกาะกลุ่มอยู่ในพวกเหล่านั้นแล้วก็ยอมรับศักดิ์ศรีความเสมอกันในหมู่พวกตัวเองแล้วเกาะกลุ่มกันในหมู่พวกตัวเองและด้วยความรู้สึกความเป็นเราความเป็นพวกเรานั้นเองในสุดก็จะมีการกีดกันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะมีศักดิ์ศรีอยู่ระดับเดียวกันคนนี้จึงมีการต่อสู้กัน ในพื้นฐานก็คือความรู้สึกเป็นพวกที่ต้องการในพวกตัวเองอยู่ได้แล้วพวกตัวอื่นก็พินาศไปเพราะว่าจะเป็นอุปสรรคของการอยู่ได้ของพวกตนแต่ถ้ากวมีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่ใหญ่กว่ามีอำนาจมากกว่าคนกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเข้าไปเป็นรับใช้เข้าเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มหล่อนั้น จตมน้องตรงกันข้ามคนใดที่มีฐานะด้อยกว่าตนในด้านเศรษฐกิจก็พยายามที่จะเอาคนเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างในการรักษาในการขยายความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของตัวเองถึงถ้าว่ามันออกมารุนแรงก็จะมีการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์เราพบกรณีปัญหาเรื่อง แรงงานปัญหาเรื่องค่าจ้างอะไรต่างๆแต่รสสาวลึกไปจริงๆก็คือเกิดมาจากการไม่ยอมรับนับถือสถานะของกันแักกันเดียวอาศัยความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเพราะนั้นกิเลสประเภทนี้จึงเป็นกิเลสประเภทใหญ่ที่มาจุดเริ่มต้นมาจากคาว่าเอโซเมอัตาคือนั่นเป็นตัวเป็นตนเรา ที่ท่านเรียกว่าเป็นการยึดมั่นหรือมั่นโดยอานาจของทิฏฐิมันจะเรามองวิธีการทางศาสนาทั้งในแง่ลบและแง่บวกหมายความมาเพิ่มธรรมะขึ้นการลดความรู้สึกเหล่านี้ลงมันจะมีการสอนไว้หลายวิธีแต่จะมีเป้าประสงค์อย่างเดียวกันคือ ไปลดความรู้สึกที่เป็นสักกายทิจิคือความเห็นเป็นเอกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาความคิดในแนวเพิ่มธรรมะซึ่งเมื่อเกิดขึ้นได้ก็จะสลายความรู้สึกเหล่านั้นเป็นการสอนให้ยอมรับนับถือสภาพชีวิตของการอะไรกันโดยพยายามจะเชื่อมโยงกัน ในแนวเขถถกที่มีการสั่งสอนเผยแพร่กันอย่างแพ่หลายนั้นประชาชนตั้งหลายจะเห็นว่านอกจากความเป็นพ่อแม่ลูกแล้วมันก็เป็นการเชื่อมกันโดยสายจากฐานของความเป็นลูกความเป็นพ่อแม่เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันก็กลายเป็นวงสาคนายาที่จริงก็จับมาเชื่อมกัน าพ่อแม่เป็นฐานบ้างเอาเราเองเป็นฐานบ้างเราก็เรียกร้องคนนั้นเป็นปู่ย่าตายายหลวงป้าหนนะ้าอาปู่ทวดย่าทวดก็หายไปแล้วก็เชื่อมโยงมาจากข้างล่างความรู้สึกเหล่านี้จะมีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์กันน้อยลงแต่จะมีความเกืดดอกูลต่อกันคือยอมรับนับถือสถานะของกันเดีกัน แต่ตนี้คนบางพวกเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันการจะสร้างความรู้สึกัะเป็นพวกเดียวกันกับอนกังยากแต่ก็มีจุดอย่างหนึ่งคือการเชื่อมโยงกันด้วยการสงเคราะห์เอตยาสายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ว้อมอารแสดงไมเตรีจิตต่อกันมันสามารถจะเชื่อมโยงคนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันได้หรือว่ามีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วให้เชื่อมโยงกันได้ จะแนขก็การการะทาที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าระดังมิตรในการตัติการให้จะปลูกปิดไมตรีไว้ได้เพราะราจึงแมนแนวคำสอนในลักษณะที่ส่งเสริมให้มีน้ำใจ เ, เพื่อเพื่อแปรว่ามาตรีพยายามสงเคราะห์นุเคราะห์กันลักษณะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้างบำบัดความทุกข์กไปกล่ายหนบ้าง ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเกิดความเจริญแก่บุคคลนั้นบ้างแต่ตลอดตังแก้ปัญหาแก่เขาเป็นต้ลนลักษณะเหล่านี้มันสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีการยอมรับนับถือมีการศรัทธามีความเอื้ออรอ่อ ก, กันอย่างที่ทรงแสดงญาติไว้สองประเภทญาติประเภทแรกก็คือญาติที่เชื่อมโยงกันในรูปของสายโลจิต ที่เราวงษาขณนายาญาติอีกอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงด้วยการสรงเคราะห์นกเคราะกันที่ทรงใช้คำว่าวิสาสาประมาาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างจริงลักษณะเหล่านี้เราสามารถที่จะขยายความเป็นเรากับพวกเราออกไป เป็นระดับศีลธรรมจัญยาก็คอยเกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมีความผูกพันเป็นมิตรสนิทสนมกันเอืออาทรต่อกันในกรณีนี้ก็คือผูกผูกพันกันไว้ในแนวที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นมิตรกันคำว่ามิตรเนี่ยที่จริงมันมาจากไมตรีหรือเมตตานั่นเองความรู้สึกเมตตาก็คือความรู้สึกรัก ความสึกยอมรับความสึกนับถือสถานะของอีกฝ่ายเนึ่แต่เป็นการกระทำในรูปกริยาปฏิกิริยาคือหมายความแต่ละฝ่ายก็ต้องปฏิบัติต่อกันแต่โดยพื้นอัตยาสัยแล้วเนี่ยก็เน้นหนักไปในการที่มีความรักใคร่ผูพกพันกันโดยอาศัยสิ่งที่สงเคราะห์เป็นตัวเชื่อมต่อ ซึ่งอาจสงเคราะห์ด้วยการช่วยเหลือในอกิจการงานด้วยการสร้างความเปินมิตรโ ด, ดยการพูดจาด้ว ย, ยคําที่ไพเราะอ่ อ, อนหวานโดยการสงเคราะห์ที่เป็นรูปวัตถุสิ่งของก็และแตะแต่แนวสงเคราะห์นั้นพระเจ้าก็ทรงพูดโดยสรุปสรุปว่าสงเคราะห์ดยวัตถุสิ่งของก็สงเคราะห์โดยธรรมโดยธรรมจริงๆมันก็มีอยู่สองแนวคือแนวหนึ่งได้ แ, แก่การอนวุวา วาาสั่งสอนที่แจงบอกกล่าวประสิทธิศาสตร์ความรู้ให้แนวหนึ่งก็คือการปฏิบัติตนต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อซึ่งท่านสาชนทั้งหลายจะพบธรรมะอีกข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสมานัตตาหมายความว่าเอาตัวเองเป็นผู้ประสานปรับตัวเองเข้าหาคนอื่นแล้วให้อยู่ร่วมคนอื่นเขาได้ซึ่งแน่นอนคนอื่นเองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน วางตนได้เหมาะสมแก่สถานะของตนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆก็แล้วแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครเป็นการปฏิบัติไปตามสมควรแก่กติแล้วก็แสดงออกมาเพราะเรามีความรักต่อเขาจริงมีความจริงใจต่อเขาจริงเรามีการประพฤติกระทำที่เป็นการอนุเคราะห์ต่อกัน แล้วก็พร้อมที่ร่วมทุกขร่วมสุขกันบอกกล่าวกระทําอะไรก็ตามจะต้องมองถึงประโยชน์ที่คนหลานั้นกจะได้จะทําอะไรจะทําอย่างไรทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วคนนั้นจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ทําออกไปนี่คือแนวสร้างมิตร ท, ที่ที่ไม่ได้จํากัดชั้นเพศวัยของคนในขณนะเดียวกันถ้าเราไปเชื่อมเอาไว้เช่นระหว่างสิบ กับอาจารย์จริงๆแล้วก็เป็นคนนอกคือไม่เกี่ยวข้องกันมาแต่เชื่อมต่อกันด้วยการสงเคราะห์อาจารย์ก็สงเคราะห์สิทธิวิชาการความรู้ต่างๆสิทธ์ก็สนึกคุณรตระกูบาอาจารย์ก็กลายเป็นพวกเดียวกันคือเป็นสิทธิอาจารย์กันอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปผูกพันกันในชันสามีพัญญาซึ่งที่จริงก็เป็นชาวบ้านกัน พอปลูกพันกันแล้วก็สรงสอนธรรมะให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงสายใหญ่ทางด้านจิตใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายให้อยู่ร่วมกันตลอดตลอดถึงพวกสมณพราหมณ์กับชาวบ้านที่จริงก็เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาแต่เดิมแต่จุดไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องอยู่ที่าศาสดาเดียวกัน แล้วก็ปฏิบัติธรรมะเดียวกันมีพระรัตนตรัยคือพระสังฆรัตนะเป็นจุดวิเดี่ยวเหมือนกันในสุดคนเหล่านี้ก็กลายเป็นพวกเดียวกันโดยความรู้สึกทางศาสนาแต่การจะเชื่อมต่อรักษาความปเป็นหนึ่งกันเดียวกันได้นั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติโดยความเอือเฟือเพราะงั้นในที่ถกแต่ละข้อ จะทรงสอนธรรมะเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติต่อกันแม้แต่อีกฝ่ายหนึ่งฐานะต่ำต้อยกว่าทางเศรษฐกิจเป็นคนใช้เป็นลูกน้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาพระเจ้าก็ทรงสอนธรรมะหน้าที่ของผู้ที่เป็นนายหรือผู้บังคับบัญชากับลูกน้องหรือคนรับใช้ของตนโดยความรู้สึกเป็นมิตรเช่นเดียวกันมันเชื่อม เพในจุดนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพรวมๆแล้วจะเห็นว่าเมตตานั่นเองเป็นตัวเชื่อมเมตตาหรือไมตรีนั้นจะเชื่อมคนเอาไว้โดยความรู้สึกยอมรับนับถือสถานะของกันแลกกันคือไม่ได้กระเกณี่ควายใควายหนึ่งให้ไปยอมรับทีนี้ในสังคมนะมันก็กว้างขวางกว่านั้น เราต้องเกี่ยวข้องกับคนบางการณีก็มากมายซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนมันก็มีคำสอนในแนวที่เราเรียกว่าสังขาวัตถุพระเจ้าทรงสอนธรรมะข้อนี้ว่ามันเหมือนกับเพลาของโลกหรือเหมือนกับรถเนี่ยฮะมันจะต้องมีเพลาสำหรับที่จะหมุนล้อไปแต่โลกขาดการสงเคราะห์แล้วโลกจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ แม้ระหว่างประเทศกับประเทศเราลองสังเกต ด, ดูว่าประเทศที่ยากจนนั้นถ้าหากว่าประเทศที่มีฐานะมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่ได้สงเคราะห์นุเคราะหเขาไหนสุดมันจะเป็นศัตรูกันไปได้าการรบราข้าวฟันที่เป็นข่าวคราวก็อยู่ในทุกวันทุกวันแล้วก็เป็นเรื่องของการขาดน้ําใจที่จะสงเคราะห์ที่จะนุเคราะห์ต่อคนเหล่านั้น ใช้ความแข็งก้ามาต่อทูกกับความมั็นก้าวและเก้กาเหล็กมาตีเหล็กในสื่อเมื่อต้องหักซึ่งอาจจะหักทั้งสอ ง, ท, งทั้งสองด้านหรือด้านหนึ่งก็โคดรงอไปด้านหนึ่งหักแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์คือแต่ละฝ่ามก็สูญเสียในแง่ของการสาดน้ำเข้าใส่กันที่พูดในสุดก็เปียกด้วยกันแล้วสาดโคนใส่กันก็เปื้อนโครน ด, ด้วยกัน ที่การเหล่านี้ก็ขยายออกไปด้วยการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกันแม้คนที่เป็นคู่สงครามกันก็สามารถที่จะเป็นมิตรกันได้ถ้าเปลี่ยนความรู้สึกในคิดจะใหม่ประจริงๆไม่เป็นเรื่องของความคิดแต่นั้นเองอย่างเราจะเห็นว่าประเทศแต่ละประเทศที่เคยรบราฆ่าควานกันคนล้มตายกันเป็นเบื่อวันดีคือดีก็เกิดจิตสานึกที่จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมันก็หันมาสร้างสัมพันธ์ทำไม่ซีกัน แล้วก็อยู่ร่วมกันนั่นก็หมายความมาอัตตาเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นเราอย่างเดียวเนี่ยมันลดก็กมองเขาซึ่งเคยเป็นเขาก็โดยความเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราในจุดที่เคยแตกแย ก, กมันก็กลายเป็นเรื่องอดีตเป็นบทเรียนเป็นรอยซ้ำที่ เ, เราทุกฝ่ายจะต้องตระหนักว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นมาอีกการประนีประนอมการการประสานประโยชน์กันก็เกิดขึ้น มันธรรมะในแนวเหล่านี้ท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่ามันมาถึงพวกศีลพวกศีลเนี่ยมันไปนเชื่อมมาตั้งแต่น้นตั้งแต่ต้นของการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงไว้ว่าพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงบำเพ็ญบา ร, รมีให้บริสุทธิ์บริพูรณ์เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพราราจึงพบพ่าศีลเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเจ็ดจำนวนข้อนี้ข้อที่หนึ่งก็งดเว้นจากการทําลายชีวิตคำว่าปานะหรือปราณก็คือลมหายใจมบ่งคามมาทำลายสิ่งที่งดเว้นการทําลายสิ่งที่มีลมหายใจงดเว้นควรการลุกและเมิดในทรัพย์สินในคู่ครองของเขากุจาเกี่ยวข้องกับเขาก็พูดแต่เป็นเรื่องธรรมสัจธรรมจริง ความแม่แนวอีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่เราแผ่เมตตาทึงจะเห็นว่าเราก็สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันแต่และชีวิตนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเราคงช่วยอะไรเขาไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ก็สร้างความรู้สึกที่จะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นแต่รีสวดแผ่เมตตากันไม่ว่าแนวบุญญศิดาแนวสบเบสัตาอะไรต่ออะที่เราสวด ปัญจวการเอกาวการเจตุวการหมายความว่าสัตว์ทั้งสี่ทั้งสามชนิดพวกเอกาวอการคือสัตว์ที่มีขันหนึ่งได้แก่พรหมรูกฟักสัตว์ที่มีขันสี่คือรูปประพรมเรียกว่าเจตุโวกาลมีขันสี่คือรูปประพรมแต่ปัญจวการก็คือสัตว์นอกนั้นถึงหมายความว่าคนพวกสัตว์ทั้งหลายในส่วนใหญ่พวกก็ขันห้า แต่เราก็ตั้งความรู้สึกที่จะเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีขันหนึ่งก็ดีขันสี่ก็ดีขันห้าก็ดีให้อยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีฝ่ายไม่มเพี่ยงการปัสลายกันนั้นก็แนวเพิ่มธรรมะเพื่อไปลดไอส ก, กายะคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถตนทือเราถือเขาและพวกเราพวกเขาเรียกเป็นคาสอนในแนวของภาวนาแต่ภาคปฏิบัติจริงๆนั้น ก็ไม่ต้องถึงนับข้ออย่างนั้นก็ได้จริงเราก็จับแค่เมตตาตัวเดียวเราก็เดินไปได้หมดแล้วตัวอย่างแนวสังขาวัตถุที่ยกตัวอย่างมานั้นที่จริงก็คือแนวของเมตตาหมายความว่ามีการส่งเคราะห์นกเคราะกันเวลาต้องเกี่ยวข้องต้องสนทนาการกระพูดจากันด้วยถ้อที่ไปาะอ่อนหวานเราพูดกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ต่อกันและกันแก่ยวกความวแต่ละขวายเราทำทีบางจีนี่ยเขาก็ทําไม่ได้ก็ไม่อยู่ในฐานะที่ทำแต่เราอยู่ในฐานะ ท, ทำได้เราก็สงเคราะห์เขาแล้วก็วางตนได้เหมาะสมที่แต่พูดเป็นกรนง่ายๆเป็นหลักเขาเรียกมนุษยสัมพันธ์ง่ายๆโอปอ้อมอารบรีวจีไเระสงเคราะห์ประชาชนวางตนได้เหมาะสมนี่ก็คือแนวเพิ่มธรรมะ แต่แนวของการลดกิเลสเนี่ยแล้วก็มีคำสอนในแนวนี้อยู่เป็นนั้นมากยกตัวอย่างเช่นพวกกุศลกําบุตรเนี่ยตัวเห็นว่าเป็นการลดกิเลสในระดับของการสำรวมระวังคือไม่ได้หมายความลดกิเลสจนจนจ น, จนเกิดเป็นธรรมะขึ้นภายในใจแต่ลดในรูปของการสำรวมระวังคือ ง, งดเว้น ไม่ไปทำลายชีวิตเขาไม่ไปทำลายทรัพย์สินเขาไม่ไปทำลายคู่ครองเขาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของเขาสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องของเขาก็คืองดเว้นการพูดเท็จแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเราก็ต้องการอยู่ร่วมอยู่ในโลกอย่างมีสวัสดิภาพ รคภายค่าเจ็บเบียดเบียนเขาก็มากพอแล้วภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาก็มากที่เกิดได้ก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมาไปซ้ําเติมก็อีกไอ้จิตสํำนึกเหล่านี้ก็มาออกมารูปของการงดเว้นจากการส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพื่อเจือเหล่อยๆแล้วก็เพื่อจะให้การงดเว้นนั้นมันมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นก็มาอยู่ถึงจุดที่ ควบคุมความคิดเราเอาไว้ไม่ถึงกันโลภอยากได้ของคนอื่นไม่ถึงพยาบาทปองร้ายกันควบคุมความคิดจิตใจะอยู่ในคันลองแห่งธรรมที่เรียกว่าอยู่ในทํานองครองธรรมคนนี้คือแนวของการลดกินเหลสกที่มันเกิดขึ้นมาจากความเป็นเราเป็นเขา อย่นี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะเรารู้ง่ายๆนะฮะความเป็นเราเป็นเขาที่บันเลงแรงมาที่ชนชาติเดียวกันเช่นไอร์อแลนด์เนี่ยก็ฆ่ากันอยู่เรื่อยพวกไอยาเอเนี่ยฆ่าเพื่อนกันอยู่เรื่อยวางระเบิดเรื่อยระหว่างระเบิดที่จริงก็ญาติพี่น้องตัวเองเ่ยตายแต่นั้นในตัวศักกยะมันไปอยู่ที่คนศาสนาต่างศาสนากัน ถึงเป็นเรื่องที่น่าสลดใจวิาสาสนาทั้งุกาศาสตร์ศาสนาในโลกเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพราะมองเห็นโลกมันมีปัญหาศาสตราดานั้นก็พยายามคิดค้นแสวงหาวิถีทางที่จะลดปัญหาในโลกและโดยเนื้อหาคําสอนที่จริงก็ลดได้จริงๆอย่างน้อยสุดระดับศีลธรรมจริยาระดับที่ทำจิตใจสงบมันก็มีอยู่ทั่วไปทุกศาสนา ศาสนาผู้เราที่ลอยออกไปจริงๆมันก็ลอยไปเฉพาะระดับนิพพานคือส่วนล่างๆมันก็มีส่วนคล้ายๆกับเขาเยอะแล้วก็มีผลออกมาแนวเดียวกันก็เยอะอย่างแต่ว่าเราสอนไปถึงนิพพา น, น, น, นแต่นเองแต่พระกรรษศาสนาก็ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องเสริมอัตาตาเสริมสักกายะความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา การเป็นเราเป็นเขามแม้ในาศาสนามันก็แตกออกมาเป็นรูปนิกายต่างๆถึงเหตุว่าคือแนกของสักกายะนั่นเองเป็นความรู้สึกว่าฉันต้องใหญ่แต่ถ้าไปอยู่ในนิยายเดิมมันไม่ได้ใหญ่อย่างน้อยก็ต้องเป็นลูกน้องเขาจะ ต, ตั้งนิกายใหม่ไปตั้งรัตจีขึ้นมาใหม่ตามตัวไปรูปของเสฉวนอยู่ใน เปลือกองหอยนั่นแหละอาศัยหอยเป็นเกาะเฉยๆแต่ว่าตัวเองได้ใหญ่นั่นก็คือแสดงว่าหลงอัตตาอัตตา ม, นตามันใหญ่ขึน้นเพราะแนวความคิดเรื่องเหล่านี้จะบรรเทาลงได้มันต้องมองเห็นโทษของความเป็นเราทดลองดูว่าถ้าตัวเราใหญ่เนี่ยมันจะลําบากมากเลยจะไปที่ไหนที่ สถานที่นั่งเรารู้สึกไม่เหมาะสมกับสถานะของเราเราก็โกรธอะซึ่งหมายความยังไงหมายความเราอยากได้สถานะที่มันเหมาะสมกัเราไอ้ตัวอยากนั้นมันก็คือความโลภพอได้ตามชอบใจขึ้นมามันก็อยากได้ต่อพอถ้าไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็โกรธเราดูไม่ต้องอื่นกลายหรอกแม้แต่พวกเครื่องน้เครื่องดื่มเครื่องตื่ ใส่แก้วต่างน้ำชาน้ําดื่มมันมีชนชั้นให้เห็นได้ชัดเจรคนธรรมดาธรรมดาก็ใส่ขวดจากขวดไปถึงก็ใส่หลอดบางทีก็ไม่ต้องมีหลอดก็กินได้แล้วแต่ไปถึงอีกชั้นหนึ่งต้องใส่แก้วอย่างดีปิดฝามีการรองถึงอีกชั้นหนึ่งก็ต้องมีกีมีเกลืสายมีตะลุ่มยันดี ที่จริงในนั้นมันน้ำจากขวดเดียวกันนั่นเองน้ำชาจากกาเดียวกันนั่นเองน้ำขวดจากขวดเดียวกันนั่นเองหรืออาจจะคนลวขวดมันก็มาจากบริษัทเดียวกันแต่มาเป็นปการเสริมอัตตรารสชาติเหมือนกันหมดอะไรมันเหมือนกันหมดเลยแต่ไปตัวสนองตัวอัตตราเพราะว่าในความเป็นอัตตานั้นจะต้องมีเกียรติจะต้องมีศักดิ์ศรี ที่ยืนที่นั่งที่นอนจะต้องเหมาะสมเด็ดพระก็จะต้องมีหมอนอิงมีเบาะมีผูกมีอะไรตัว อ, อะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วกลายเป็นเรื่องรุงรังวุ่นวายไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาคนอื่นก็เดือดร้อนเราเองก็เดือดร้อนจะไปที่ไหนส้กทีจะทำอะไรสักทีนก็กวุ่นกันหมดเลยแล้วเพียงเรื่องประเดี๋ยวประเดาเท่านั้นเอง อัตตาของคนเนี่ยเราจะลองสังเกตดูแนวพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงนี้มันเป็นอัตตาตรงเนี้ยตรงหัวตรงนี้มันเป็นอัตตาแล้วพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันไม่มีอัตตาคือไม่มีโกฏินท่านสาชนอาจจะมองจากเรื่องเพียงสีสมาธิปัญญาในใจได้ชัดมากในเรื่องของสีนเนี่ยเรายอมมีอัตตา หมายความว่ามีตัวเขามีทรัพย์สินเขามีผู้ครองเขามีการรับฟังขา่าวสารของเขาแต่พอถึงธรรมะเนี่ยไอ้ตัวเขาก็พวกเขาเนั้นมันลดลงมันก็มีแต่เรากับพวกเราเนี่เพิ่มขึ้นก็คงมีเขากับพวกเขาเนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเคารวะต้ตื่นกันไม่ไปล่วงเกินไม่ไปริดรอนไม่ไปตัดรอนผลประโยชน์ต่างๆของกันและกัน พอมาถึงเรื่องของสมาธิความเป็นเราเป็นเขานั้นจะลดลงถ้าเราทําได้จริงๆมีข้อแม้ต้องทําไดนะ้เพราะอะไรเพราะในกามาฉันเนี่ยกาลมาฉันกิเลสประเภทคว้ามันสนองตอบเราให้เราสังเกตความโลภในตอบสนองความต้องการเรากับพวกเราหมายความว่าต้องไปแย่งทรัพย์สินของเขากับพวกเขาออกไว้ มาทีก็แย่งของชาติปันเมืองสมบัติของแผ่นดินทั้งหลายที่แย่งแย่งกันเนี่ยนะกิเลสประเภทโทสะคือพวกพยาบาทนะทำลายเขาเพื่อให้เหลือแต่เราหมายความค่าพวกเขาหมดได้แล้วจริงดีให้เหลือเฉพาะพวกเราที่เป็นอารมณ์ใหญ่อารมณ์ที่มีปัญหาที่สุดมันก็มีสองตัวตัวนี้คือโลค ก, กัะหลงเนี่ยมี โลกกระโจนจะมีปัญหามากเพราะว่าที่โลกที่โจนมันก็เพราะหลงแต่ว่าเราศึกษาลึกขึ้นไปกว่านั้นพอระดับสมถันกรรมฐ า, านเนี่รามองโทษของความมุ่งเงานอนซึ่งซึงมห้อยเงามองโทษของความฟุ้งสั้นซึ่งในจริงมันฟุ้งสั้นที่เราบปฟุ้งมากข้าคนอื่นก็เดือดร้อน มองโทษเด่นก็ความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจอะไรซึ่งเป็นอาการของโมฆะแล้วพอเราสงสัยมากข้ามากข้ามากข้า ว, าา ว, าาวคนอื่นก็วุ่นก็พลอยเดือดร้อนด้วยแต่ก็หมายความว่าไอ้ความเป็นเราเป็นเขานี่ลดลงทั้งสองอย่างแต่พอถึงอัตตาไอ้พอถึงวิปัสสนานะ พิพิจารณาที่เรามองในแง่ของไสรลักษณ์คือมองตางความเป็นจริงของกฎไสรลักษณ์ก็เท่านั้นเองคนเราก็เท่านั้นเอง <travailler> เป็นกองดินน้ำลมไฟอากาศมาเกาะกุ่มกันไอเราไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วของเราเองก็ไม่มีมาตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีเรา เต่ความเป็นตัวเป็นดนของเรามันก็เกิดขึ้นในที่หลังแต่ความเป็นเราความความที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่เราสังเกตเราเพิ่งเป็นนะฮะเราเป็นลูกก็ตอนเราเกิดออกมาเราเป็นนักเรียนก็ตอนเราเข้าเรียนตอนเป็นนักศึกษาก็ตอนเข้านักศึกษาล้วก็เป็นสามีเป็นพันดาเป็นข้าราชการมันเพิ่งเป็นนะะมันเป็นจากเรามีตัวมีตน แต่ตัวตนในที่สุดมันก็ไม่มีตัวตวนจบลงที่ไม่มีตัวตนดินน้ำลมไฟอากาศคือเกาะกลุ่มกันมาแล้วเสร็จก็แยกสลายดินก็กลับสู่ดินน้ำกลับสู่น้ำลมกลับสูล่ลมไฟกลับสู่ไฟอากาศสูอากาศวิญญาณกับกลุ่มของกิเลสและกรรมก็ไปหาพบใหม่ ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป